วัดนี้จะแสดงธรรมเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นแม้จะมีการจำแนกแสดงออกไปโดยนยิย่าต่างๆเป็นนันมากจนถึงกับบางคนมีความรู้สึกว่ายากต่อการปฏิบัติพระธรรมนั้นมากเกินไป แต่ถ้าเรามองในแง่ของความเข้าใจก็จะพบว่าธรรมะก็คงแบ่งเป็นสี่กลุ่มคือกลุ่มของอริยศัสตร์ทั้งสี่นั่นเองและในเชิงปฏิบัติส่วนใหญ่ก็จะนุกมุ่งไปในข้อที่เราเรียกว่าปานะกับภาวนาปานะก็คือการลดละสิ่งที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายและภาวนาก็คือการ ลงมือประพฤติกระทาในสิ่งที่ดีทั้งหลาย แ, แม้การปฏิบัติในสองข้อนี้ก็ตามถ้ากล่าวถึงหลักของการปฏิบัติจริงๆเราอาจจะใช้ควบกันทั้งสองคำเรืออาจจะใช้เพียงคำเดียวได้แก่ภาวนาก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่า ทำสองประการบุคคลควรลงมือประพฤติปฏิบัติคือสมถะหนึ่งวิปัสนาหนึ่ง <c oughs> เมื่อบุคคลได้ปฏิบัติตามหลักของสมถะกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมสองประการนี้เองจะทำหน้าที่ขจัดสิ่งที่เรียกว่ากิเลสหรือสิ่งที่จะต้องละให้ออกไปจากใจ ไอ้กิเลสหรือสิ่งที่จะต้องละเหล่านั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์ซึ่งไม่มีใครปรารถนาในโรกนี้เมื่อแกถูกกาจัดออกไปหรือลดละบรรเทาออกไปความทุกข์ก็ต้องลดตามลงไปและในขณะเดียวกันผลคือความสุขก็จะมังเกิดขึ้นด้นเรื่องทั้งหมดส่วนใหญ่จึงเป็นเรื่องของโวหารในการเทศเพื่อสอดคล้องกับบุคคลที่ฟังในโอกาสนั้ น, น, นเป็นประการสาคัญ วันนี้ถ้าหากว่าท่านสาวุชนได้ลองมองเชื่อมคําถามของมนุษย์คนแรกกับมนุษย์คนที่สิบห้าเช่นว่าเป็นการพูดในเรื่องเดียวกันท่านอชิตมนุมากราบทูลถามในตอนต้นว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรปิดบังไว้จึงหลงดุดอยู่ในที่มืดพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอวิชชาปิดบังไว้ จึงหลงหลุดอยู่ในที่มืดเจึมการมองในภาพที่ปรากฏคำถามข้อแรกจึงต้องการหาสาเหตุที่แท้จริงของการที่มูสัตว์ในโลกนี้แสดงพฤติกรรมออกไปในลักษณะมืดบอดโดยวิธีการต่างๆแต่พอถึงท่านโมกราชนั้น มองในลักษณะต้องการจะหนีไปจากโลกนี้เพราะมองเห็นโลกเป็นที่ตั้งของความมืดบอดไม่มีทิศทางที่แน่นอนในการดำรงชีวิตของตัวเองแล้วก็มีความสับสนในแง่ของสังสารวัฏท่านเองจึงไม่ปรารถนาที่จะอยู่ในโลกไม่ปรารถนาที่จะเกิดในโลกอีกต่อไปจึงกราบทูลถามว่าข้าพระองค์จะมองเห็นโลกอย่างไร โลกมืดมืดเนี่ยจะมองเห็นอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากโลกไปได้มัจุราชคือความตายก็จะตามมาไม่ทันพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเช่นเดียวกันเช่นเดียวกับตอบคำถามช่วงที่สองของชิตมานพโดยรับสั่งว่าดูก่อนโมคราชเธอจงเป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นโลกโดยความเป็นของว่างและถอน อตาโนทิธิคือความเห็นว่าตนออกไปให้ได้แล้วจะไม่ตกลงสู่อำนาจของความตายอีกต่อไปซึ่งสำรวจบารีตั้ใช้คำว่ามัจจุราชจะตามไม่ทันก็คือมองไม่เห็นดันธรรมะปฏิบัติก็เหมือนกันเหมือนกับที่รับสั่งตอบแก่ท่านอาชิตมานพที่ว่าอะไรเป็นเครื่องห้ามเป็นเครื่องสกัดกัน้นความอยากเอาไว้ วความอยากนั้นจะละได้ด้วยอะไรพระ้ทรงแสดงว่าสติเป็นเครื่องข้าเป็นเครื่องสกัดกั้นความอยากเอาไว้และความอยากนั้นจะละได้ด้วยปัญญาแต่พอมารับสั่งกับท่านมุกราชก็รับสั่งว่าให้มีสติมองดูโลกนี้ในฐานะเป็นของว่างซึ่งก็หมายความว่าใช้สติกับปัญญาเช่นเดียวกัน ธรรมะปฏิบัติสองข้อนี้จึงถือว่าเป็นหลักโดยมีความเพียรเป็นปัจจัยสนับสนุนในทุกๆจุดจะพูดถึงละชั่วประพฤิดีหรือว่าพูดถึงว่าปาานะภาวานาหรือพูดว่าภาวนาเฉยๆก็ตามแต่จุดมุ่งหมายก็คือลดความมืดมนอุนธการที่ครอบงำจิตใจของบุคคลเอาไว้จนก่อให้เกิดความหลงผิดความเข้าใจผิดกันด้วยประการต่างๆ คนนี้พึงดูตัวอย่างในกรณีที่ให้มองเป็นของว่างหรือเป็นของศูนย์ตามสายของอนัตตาอนัตตลักษณะคือลักษณะของความเป็นอนัตตาแห่งสัตว์แด้สังขารทั้งหลายแตาบุคคลมองโลกออกเป็นสองด้านก็นจะพบว่าด้านหนึ่งมีความร่าร้อนรุนแรงอยู่ตลอดประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติไม่เคยเสงบเพียงแต่ลดลงไปบ้างเท่านั้นเอง คนรสตร์ใดที่ยังเป็นโลกอยู่ก็คงจะมีสภาพอย่างนี้ความเพียรพยายามของบุคคลทั้งหลายแม้แต่คนระดับาศาสดาที่ต้องการจะช่วยคนในดุดพ้นจากความทุกข์ซึ่งซ้ำๆสักๆในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นก็ช่วยได้เฉพาะคนบางกลุ่มบางหมู่เท่านั้นเองคนส่วนใหญ่ก็คงจะอาศัยสัญชาติยานซึ่งถูกปรุงด้วย บรรดาอาสวกิเลธทั้งหลายให้มีการเบียดเบียนเข็นฆ่าประทุศร้ายกันอยู่ร่าไปดังนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงสภาพของโลกที่ทรงรู้เห็นด้วยพระญาณหรือเรียกว่าทิปจักษุตอนที่จัดสรุปใหม่ๆสมองเห็นชาวโลกมีการเบียดเบียนประทุศร้ายกันทุกลำดับชั้นของคน ในระดับประชาชนกับประชาชนหรือะดับบุคคลต่อบุคคลเอง้แต่ครอบครัวหมู่บ้านกระจายออกไปจนกลายเป็นชาติบ้านเมืองแม้แต่รัฐทิาศาสนาก็คมเพ่งเบียดเบียนประทุสร้ายกันในขณะที่ชาวโลกเรียกร้องต้องการความสุขความสงบนั่นเองก็ก็สร้างเหตุแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาและในที่สุดก็มาบน่นถึงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในโลก ทางทา ง, ท, างที่เหตุแห่งความทุกข์เหล่านั้นพวกตนก็ช่วยกันสร้างขึ้นมาเอง้วตอนนอนกับบางส่วนของประเทศไทยที่บนเรื่องฝนแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาลก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาตกเพราะว่าพวกเขาได้ตัดไม้ทำลายป่ากันจนหมดเป็นแถบๆไปนี้แสดงเห็นว่าจริงๆแล้วเขาต้องการใ้ฝนตกแต่เขาก็ทาลายเหตุให้ฝนตกไปเสียเมื่อฝนไม่ตกก็โววายบนไ ป, นไปด้วยระการต่างๆ อาจจะด่าว่าตำหนิติเตียนลําปาลไปถึงบุคคลดอกอื่นทั้งๆ ท, ที่เหตุจริงๆแล้วตนเป็นผู้สร้างขึ้นดังนั้นจึงทรงเปล่งเป็นอุทานขึ้นมาเมื่อมองเห็นโลกในสภาพอย่างนั้นก็ได้เปล่งพุทตอุทานขึ้นมาว่าการไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมระวังในมูสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกทีนี้ปัญหาสําคัญในเรื่องคําสอน เพระการที่จะสอนให้เกิดการไม่เบียดเบียนกันนั้นพูดง่ายแต่ในเชิงปฏิบัติแล้วทําได้ยากเพราะคนศาตว์เป็นสิ่งมีชีวิตมีความเป็นตัวของตัวเองมีความเคลื่อนไหวมีพื้อนอัตยาใัยที่แตกต่างกันไม่เมือนก็ท่อ o ไม้ที่เราจะเอามาเลื่อยมาถากมาปรุงแต่งให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แต่สำหรับคนแล้วคนก็คือคนความวิธีการทางาศาสนาจึงใช่กัน ปูดเกาหรือการขัดเก่าค่อยๆปรุงก็ค่อยแต่งก็ค่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยทําไปเรื่อยๆโดวยวางหลักธรรมะที่ง่ายต่อการประพฤติปฏิบัติมีลักษณะเ็ะอุปมากันหลายแนวบางครั้งเป็นอุปมาเหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งคือทุกอย่างก็ความเป็นต้นไม้ก็เป็นประโยชน์ในฐานะนั้นๆแต่ตัวเนื้อหาสาระจริงๆนั้นคือตัวแก่นที่คนจะนําไปใช้ ยังไงก็ตามบางครั้งเราก็ไม่ถึงก็ต้องใช้แก่นอาจจะใช้เปลือกใช้กระพี้ใช้เนื้อไม้หรือใช้กิ่งใบดอกผลของต้นไม้ก็ได้สิ่งเหล่านั้นก็อํานวยประโยชน์ในฐานะของมันธรรมะปฏิบัติในทางศาสนาก็เป็นเช่นเดียวกันบางครั้งก็ไม่เข้าถึงแก่นแต่อำนวยความสะดวกในจุดนั้นๆบางครั้งทรงอุ ป, ปมาเหมือนการขึ้นภูเขาซึ่งค่อยๆขึ้นไป ไม่มีใครที่พูดพลาดลอยขึ้นมาอยู่บนยอดเขาแต่ว่าทุกๆคนเป็นเรื่องของความเพียรพยายามค่อยๆขึ้นไปโดยลำดับแล้วก็จริงก็คนที่ขึ้นไปถึงยอดเขาน้อยส่วนมากมันก็อยู่เจิงๆเขาหรือว่าขึ้นไปบนนิดหน่อยสามารถติดอันตรายได้บ้างหรืออันตรายไม่ได้บ้างส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกอันตรายไม่ได้แต่บางครั้งทรงมองในแนวลึกด้วย เช่นทรงอุ ป, ปมาว่าพระพุทธศาสตรสนานั้นมีลักษณะลาดลุ่มลงไปโดยลําดับเหมือนมหาสมุทรแล้วก็ดึงเอาคุณสมบัติของมห า, าสมุทรในแง่มุลต่างๆขึ้นมาเทียบเคียงกับหลักธรรมในพระพุทธศาสตร์สนาจะเน้นไปที่เป้าใหญ่เช่นเดียวกับแก่นไม้หรือยอดเขาว่าน้ําในมหาสมุทรนั้นจะไหลมาจากที่ใดก็ตาม แต่เมื่อมาถึงมหาสมุทรแล้วจะอยู่ในจุดเดียวกันคือเข็มเหมือนกันคําสอนในทางลัทธศาสนาก็มีลักษณะเช่นนั้นจะสอนโดยนัยยะอย่างไรโดยทิศทางอย่างไรอ้อมค้อมอย่างไรหรือว่าเส้นตรงอย่างไรก็ตามแต่พอถึงจุดหนึ่งคือต้องมีวิมุตต์วิมุตต์ก็คือจิตที่หลุดพ้นจะถามมาหลุดพ้นจากอะไรก็ตอบมาหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลส ทนประเด็นของการหลุดพ้นนั้นความหลุดพ้นเป็นผลอัยุที่จะให้เกิดความหลุดพ้นนั้นจึงเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องมีวิธีการแสดงกันด้วยประการต่างๆเพราะโลกโดยสภาพโลกมีลักษณะเป็นมิจฉาสินญญีคือมองเห็นกันเป็นสัตว์พร้อมที่จะวิ่งเข้าฆ่ากันเบียดเบียนกันประทุษร้ายกัน ก็แบบสัตว์โรคทั้งหลายในทํานองสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กปลาใหญ่กินปลาเล็กหรือใครมือยาวสาวได้สาวเอาต่างๆแล้วเนี้ยในหมู่มนุษย์เรานั้นที่จริงก็มีสารชา ต, ตยานในลักษณะนี้อยู่มากแต่ว่าการโอกาสสถานที่ไม่อำนวยให้แต่นั้นเองบุคคลส่วนหนึ่งจึงควบคุมตัวเองไว้ได้แต่ถ้าเราติดตามพฤติกรรมต่างๆเช่น ในเมืองใหญ่ๆที่เขาว่าปั้นเมืองที่พัฒนาแล้วเช็นเมื่อสามสี่ปีมานี้มีไ ฟ, ไฟไฟดับที่นครคอนเยกรุยะหนึ่งปรากฏว่าอาถยากรรมนั้นนับกันไม่หวาดไม่ไหวเพราะคนมีหน้าที่ปราบอาถยากรรมก็ไปประกอบอาถยากรรมซะเองด้วยนั่นหมายถึงอะไรหมายความว่าภายในใจของมนุษย์นั้นยังไม่พร้อมที่จะยุติการเบียดเบียนประทุษร้ายกัน เปียนแต่กฎหมายนขนบธรรมเนียมประเพณีเงื่อนไขต่างๆ ต, ต, ตลอดถึงแสงสว่างและการอยู่ในสายตาของบุคคลอื่นควบคุมเอาไว้จึงสามารถปกปิดซ่อนเร้นความคิดที่แท้จริงของตนเอาไว้แต่พอการโอกาสสถานที่อำนวยให้ด้มีแรงกระตุ้นจากบุคคลทั้งหลายวิญญาณดิบที่ฝังรากอย่างลึกอยู่ภายในจิตใจก็ออกมา ประกอบอัจยกรรมในลักษณะต่างๆแม้ในกรุงเทพเราเองทราบว่าพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆนั้นถ้าหากโกไฟฟ้าของราชการดับไฟของเขาที่สำรองว่าจะต้องติดทันทีถ้าไม่อย่างนั้นเข้าของจะต้องอันตรธรานไปเป็นนั้นมากแล้วก็จับมือใครดมไม่ได้นี่เป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงพื้นจิตที่มีความรุนแรงมุ่งเบียดเบียนมุ่งทาผันประทุจร้ายกัน มองกันเป็นปลาเป็นเนื้อเรียกว่ามิจฉสัญญีคือมองกันเป็นเนื้อเหมือนกับนายพรานมองเห็นเนื้อก็พร้อมที่จะลาพร้อมที่จะยิงโดยไม่ต้องการเหตุผลอะไรก็ได้บางครั้งเราก็ล่าเพื่อสนุกเพื่อแสดงฝีมือเฉยเฉไม่ใช่อดจากปากแห้งอะไรก็มีกินมีใช้อยู่แต่ต้องการจะแสดงฝีมือเฉยเฉย แต่ใ น, นวิธีการทางาศาสนาจึงมุ่งที่จะชั้นแรกก็คือคัจัดความเป็นเราเป็นเขาออกไปเพราะความเป็นเราเป็นเขาที่รุนแรงนั่นเองจึงมีการเบียดเบียนการหยั่งรุนแรงเพิ่มขึ้นใ้ความเป็นเราเป็นเขาที่เกิดขึ้นมากในสมัยพุโบกาณนั้นก็คือสืบเนื่องมาจากระบบของวันน่ะ ทำอย่างไรจึงจะสลายวันณะได้พระพุทธเจ้าท่านอยู่ในวรนละที่สูงส่งเพราะงั้นถ้าจะเชิดชูวันณะกันพระองค์ก็ได้โอกาสเหมือนเดิมได้โอกาสดีพิเศษเสียด้วยเพราะว่าเป็นทั้งสุริยวงศ์เป็นพังพระอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าจึงสุริยวงศ์เองก็เป็นบงกษตรสูงสุดแล้วก็เป็นอรหันตสมาคมพุทธเจ้าก็เป็นาศาสดาที่สูงสุดก็สูงสุดสอ ง, สองยอดแล้วก็กลายเป็นสุดยอดของคนพระพุทธเจ้าไม่ต้องการสุดยอดคนในแนวนั้น นแนวที่มีความเป็นเราเป็นเขาเพราะงั้นจึงทรงสอนให้บุคคลลดความเป็นเราเป็นเขาโดยตัดวันละออกไปและทรงเชื่อเห็นว่าที่จริงแล้วการกำหนดความดีความเลวของคนไม่ได้อยู่ที่ชาติชั้นวนะันละคนไม่ได้เลวเพราะชาติกำเนิดคนไม่ใช่ดีเพราะชาติกาเนิดแต่คนจะดีจะเลวก็เพราะการกระทำ ซึ่งหมายความว่าคนกําเนิดสูงอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้กําเนิดตำ่ำอาจจะดีก็ได้ไม่ดีก็ได้แล้วขึ้นอยู่ที่การกระทำของเขาเมื่อมีการสลายวันลนะคือพยายามไม่ยอมรับระบบวันลนะแล้วถ้าไปศึกษาในพระไตรปิดกจะพบว่ามีคนพยายามให้พระพุทธเจ้ายอมรับวันละ น, นี้บ้าเด้วยเกินเอามาตั้งแต่ตอนศัจสรู้ใหม่ๆยังไม่ตั้งพระไทยจะสั่งสอนธรรมะโดยซ้ําไปมีพราหมณ์คนหนึ่งมากราบทูลถามพระองค์ว่า บุคคลเช่นนันจริงจะได้เรียกว่าเป็นพรามในความหมายของพระพุทธเจา้าคือเขาต้องการนยกย่องพระองค์เรื่องตามกฎเกณฑ์ของพรามแต่พระเจ้าก็กลับแสดงว่าคนใดก็ตามที่ลอยบาปได้ลอยบาปประทำได้ไม่มีกิเลสประเภทรุนแรงที่จะถึงจะพูดจาข่มขู่ตะคอกบุคคลอื่นด้วยคำหยาบคายใดๆบุคคลนั้นเราเรียกว่าเป็นพราม นั้นแสดงเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตีจุดสําคัญก็คืออัสมิมานะที่ความรู้สึกว่าเป็นเราเราเป็นนั่นเป็นนี้เราเป็นพราหมณ์เราเกิดมันขึ้นมาจากโอดของพระพรหมเป็นผู้สืบเนื่องมาจากพระพรหมเป็นตัวแทนพระพรหมในโลกมนุษย์เป็นวันหน้าขาวคนอื่นเป็นวันหน้าดำอะไรอะไรที่พวกพราหม์ชื่อชูกันอยู่ในสมัยนั้นโดยเชื่เห็นว่าที่จริงแกอาจจะเป็นพราหมณ์ก็ได้เป็นชาวนาก็ได้ถ้าทํานามันก็เป็นชาวนาถ้าทําสวนก็เป็นชาวสวนถ้าค้าขายก็เป็น พอคะาถารับราชการก็เป็นข้าราชการถ้าเป็นบุรุษิก็เป็นบุรหิกโดยวันณนเดิมเป็นพรามจริงๆมันก็เป็นตามการกระทำไม่ใช่เป็นโดยชาติกำเนิดแล้วพอถึงจากนั้นขึ้นไปก็ทรงสอนในแนวที่ให้ลดความเป็นเราเป็นเขาคือความเป็นเราเป็นเขาก็คงมีอยู่ไม่ถึงกับตัดออกไปเพราะตัดในช่วงนี้ตัดยากมาก ตราบใดที่โลกยังมีอวิชชาอยู่เรื่องจะตัดความเป็นเราเป็นเขาออกไปมันก็ออกยากยากเพียงแต่สงบระงับบรรเทาลดละไปได้แต่นั้นเองแต่นั้นพอถึงจุดหนึ่งเงสังเกตว่าจะมีกาวความเป็นเราเป็นเขาอยู่ในเรื่องเหล่านั้นและจะมองแกสายไหนถ้ามองแกสายของศีลห้าก็คือยอมรับทั้งเราทั้งเขายอมรับทุกอย่างท่างของเราของเขา แต่ในขณะเดียวกันก็มีทั้งเราทั้งเขาอยู่เรียกว่าไม่ได้ถึงกับถอนอัตตาโนติชิออกไปแต่ลดอัตตาโนติชิลงมาคล้ายๆกับไฟมันร้อนก็ลดความร้อนลงมาสามารถาใช้หุงต้มปรุงอาหารได้หรือไม่ใช่มากจนไหม้อาหารไหม้กระทะที่ปรุงอาหารไปเฉยๆหรืออาจจะมองจากจุดของมโนทุจริต ถึงจะเห็นได้ว่าพยายามให้เข้าถึงจิตใจยอมรับเรายอมรับเขาสอนบุคคลไม่ให้โลภอยากได้ของของบุคคลอื่นซึ่งหมายความมาคนอื่นก็มีเขาก็มีเราก็มีเขาก็มีทรัพย์สมบัติเราก็มีทรัพย์สมบัติเพราะงั้นเธอจะโลภก็ได้ในชั้นนี้แต่อย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นให้ใช้ความเพียรพยายามเพื่อจะได้อะไรมาก็ตามขอให้ใช้ความเพียรพยายามเอา เธอาจจะโกรธคนอื่นแต่อย่าถึงพยาบาทคนอื่นแสดงว่าคนอื่นนั้นมีเพียงแต่ว่าปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟือ้อแล้วพอถึงจุดหนึ่งก็สอนให้มีความรู้สึกเป็นเราคือเป็นพวกเดียวกันแต่ในกรณีที่เป็นพวกเดียวกันนั้นก็ส่งสอนเอาไว้ในระดับหนึ่งเพราะมันล้นได้หมดเลยเรื่องของกิเลสนั้นล้นได้หมด พอล้มันก็ออกไปนอกลู่นอกทางซึ่งท่านทั้งหลายจะเห็นว่าอย่างความรักก็กระจายตัวเองออกมาได้เรื่อยเมื่อมีสติปัญญาเข้าควบคุมที่ความรักความรักมันจะจางไปจางไปจะกลายเป็นเมตตาพอเมตตาแล้วจะมีใจเผื่อแผ่เ อ, อื้อเฟื้อต่อบุคคลอื่น แม้จะไม่เป็นไปตามที่ใจตวดมุ่ง ม, มา่ปรารถนาก็สามารถสงบใจได้โดยพิจารณาเห็นว่าสัธว์หลายเป็นไปตามกฎของกรรมแต่ถ้าไม่ลดความรู้สึกรักความรักมันจะล้นหายออกไปเป็นฉันถากติลําเอียงเพราะอาศัยความรักไร้ผูกพันกันเป็นการส่วนตัวจะช่วยดีทีห่างอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นคนของเราแล้วก็ปกป้องไว้จนสุดกำลัง ก็กลายเป็นการสร้างความอายุติธรรมขึ้นเรืประการหนึ่งในบางกรณีคือเราไปมุ่งมั่นอยู่กับของเราเกินไปโดยไม่ยอมรับความจริงว่าของเราก็ดีหรือแม้แตเราก็ดีเป็นการยอมรับกันในขั้นของความสมมุติเอาไม่ใช่เป็นเรื่องจริงเป็นละครที่ถูกกาหนดให้แสดงอาจจะฉากยาวฉากสั้นก็ตามแต่สรุปว่าไม่ใช่เรื่องจริง พราะจริงๆนั้นมันยังมีอีกชั้นหนึ่งแต่ชั้นนี้ถ้าก็ไม่สอนไกลขนาดนั้นคือเอาแต่ว่าให้พยายามทําความเข้าใจกับของเราหรือแม้แต่ตัวเราว่าที่จริงทั้งของเราและตัวเราก็ต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพื่ออะไรเพื่อแก้ปัญหาภายในใจของบุคคลที่มีทุกขโทมนัตความโศกความรําไรต่างๆเพราะ ของเรามีการเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่เป็นไปตามที่เราต้องการดังนั้นพวกปะกินกนะครัทุกทั้งหลายนั้นพึงสังเกตว่าที่จริงมันปรนโรคของเราญาติพี่น้องของเราเพื่อนของเราทรัพย์สมบัติของเราเป็นต้นพอสูญเสียรัศมีไปไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เดือดร้อนเพราะของเราเป็นเหตุเพราะในของเราที่ไปถือครองอยู่ก็ให้รู้ในแง่ของความจริงที่สมมุติไปยอมรับว่าแกก็อยู่กับเราไม่ได้ตลอดไป จะต้องแปรเปรวนจะต้องเปลี่ยนแปลงจะต้องรัดพลาดจะต้องสูญสลายไปเพราะงั้นในขณะที่ยังมีความเกี่ยวข้องอยู่ก็ปฏิบัติต่อกันโดยความเอื้อเฟื้อตามสมควรแก่ฐานะอย่างที่ทรงแสดงธรรมะปฏิบัติที่บุคคลทั้งหลายจะพึงใช้ระหว่างกันเลกันตั้งแต่มารดาบิดากะบะปุจจิดาเป็นต้นก็เรื่อยไป จนถึงสามารถมองเห็นในแง่ที่เป็นสเปสตาคือสัตว์ต่างหลายทัางปวงแต่ว่าสัตว์ทั้งหลา ย, ท, าา ท, ลายทั้งปวงนั่นเองมันก็ไม่ได้เป็นไปต า, ามที่เราคิดเราอยากให้เกิเป็นเสมอไปสัตว์มีการตายมีการพรัดพรากมีการประสบความที่บาเดเจ็ดรอ้อนมีความสูญเสียได้รับการบาดเจ็บด้วยประการต่างๆประสบความเจริญก้าวหน้าประสบความแตกแยกอะไรต่างๆนั่นคือพฤติกรรมของสัตว์ทั้งหลาย แต่ถ้าเรามองในแง่ของความเป็นของเราภายในใจเรานั้นจะมีคุณภาพคือจะมีความรู้สึกมุ่งที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีเวรนไม่มีภยัไภยไม่เบียดเบียนกันไม่ประสาวะสร้ายกันเขาประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในวิสัยที่จะช่วยได้โดยกายหรือ ว, วาจาหรือแม้แต่ตั้งความปรารถนากันทางใจก็ทําไปเวลาเขาประสบความจเจริญก้าวหน้า ในภารกิจการงานในด้านใดด้านหนึ่งในฐานะที่เป็นพวกเราด้วยกันเราก็ชื่นชมยินดีกับเขาคือแสดงว่าเราก็ปฏิบัติธรรมานได้แต่ในขณะเดียวกันเขาหรือเราหรือพวกเราหรือสิ่งของของเรานั่นเองคือตอนนี้เราไม่พยายามจะไม่มองในแง่ที่เป็นเขาแต่พยายามมองในแง่ที่เป็นเราแต่การเป็นเรานั้นอย่าลืมว่าก่อให้เกิดความกำหนัดความเรื้อรังความรุ่มหลงความเมื่อยเมาได้ ดนนั้ น, นจึงสอนเรียนรู้ในแง่ของความเป็นจริงโดยสภาพของคนของสัตว์ที่ใจไปกาหนดตัวเป็นของเราเอาไว้ในช่วงหนึ่งก็ปฏิบัติดังกล่าวแล้วเมตตาบ้างกรุณาบ้างมุติตาบ้างแต่ว่าถ้าแกเกิดพลัดพรากแกเกิดเปลี่ยนแปลงแกเกิดสูญเสียกเกิดทำลายไปถึงตามปกติแล้วเราจะโศกเพราะของเราแต่เราจะดีใจเพราะไม่ใช่ของเรา ในกรณีที่มีกา ร, ราพลัดพรากเพราะเมื่อปรับจิตมาอยู่ในจุดของความเป็นเรากับพวกเราไปแล้วหรือของเราไปแล้วแต่อมาเกิดมีความเปลี่ยนแปลงที่จะเทนที่จะโศกร่าไรรําพันเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจเกิดความขับแค้นใจโดยปกติกวิสัยของสามัญชนทั้งหลายนั้นก็ส่งสอนให้บุคคลมองที่จริงมองกันหลายๆชั้นในชั้นหนึ่งคือมองเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของไปเลยแล้วก็พวกเรานั่นแหละ แต่มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกฎของกรรมอย่างที่สวดสาธยายกันพุทธเจ้าก็สอนอยู่ท่านี้แหละือเรื่องกรรมจะเน้นได้เห็นเท่านี้ที่สอนมากเป็นพิเศษเรามีกรรมเป็นของตนจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมมีกรรมเป็นกําเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกายทากรรมบรรไดไว้จะดีหรือชั่วก็ตามก็จะต้องรับผูกเป็นผู้รับผลกรรมนั้นพระวสัตว์โลกนั้นจะเป็นไปตามกรรม ในบางกรณีนั้นก็ไม่สอนในแนวกรรมคือหมายถึงว่าสอนในแง่ของกติธรรมดาในแง่กติธรรมดาคือแนวกรรมนั้นเป็นไปตามกติของธรรมดาด้วยโดยแรงผลักดันของกิเลสบ้างของกุศลบ้างก็ไม่รู้แหลต่ส่วนมากก็อาจจะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของบาปของกุศลบางทีก็มองในแง่ของธรรมดาเพื่อไม่ให้ทุกข์ พ่วมทับตัวเองจากของเราจากพวกเราจากความเป็นมิตรเป็นสหายของเราก็คือคือเรื่องของกติธรรมดาที่สวดสาทยายกันเรามีความพลาดพลาดจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเราไม่พลาดลาจากเขาก็พลาดพลาดจา ก, รกเรานั้นนีนจุดนี้เราจะเห็นว่าจะไม่เดือดร้อนทั้งเพราะของเรา แต่จะมีธรรมะปฏิบัติสำหรับของเราทั้งในชั้นการปฏิบัติเกื้อกูลกันทั้งในชั้นการปรับใจยอมรับความจริงของกรรมทั้งในชั้นการปรับใจยอมรับความจริงแห่งกติธรรมดาที่สิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุปัจจัยแล้ว่ถึงชั้นหนึ่งคือขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนั้นเราจะพบว่าเมื่อก่อนมีเรามีเขาแรงต่อมาก็ยอมรับเราและเขายอมรับสัตติผลประโยชน์ระหว่างเราและเขา ต่อมาก็พยายามไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเราแล้วอีกช่วงหนึ่งก็ให้บุคคลเข้าใจว่าทั้งเราทั้งเขานั่นเป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็เกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ก็ดับแล้วก็สอนอีกชั้นหนึ่ง่าบุคคลทั้งหลายไปบ่นเพ้ออยู่ว่า ทรัพ ส, บสมบัติของเราบุตรปัญญาของเราโคโกระบือของเราแล้วก็เศร้าโศกเดือดร้อนวุ่นวายเป็นทุกข์กังวลไปเพราะของเราเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วตัวก็เราเองก็ยังไม่เป็นของเราญาติมารดาบิดาบุตรปัญญาสามีทรัพย์ ส, บสมบัติเรื่องส่วนรายได้จะเป็นของเราได้อย่างไง เพราะสิ่งเหล่านั้นส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องตัวของตัวเองส่วนหนึ่งก็เป็นธรรมชาติที่ติดจุกจี่แต่เราซึ่งมีความเป็นเราเรามีความรู้สึ ก, กว่าเป็นเราอยู่เนี่ยเอาไปจริงมันก็ไม่ใช่ของเรานั้นก็คือการพยายามมองในสายของอนัตตาที่จะเห็นในแง่ความจริงที่แท้จริงซึ่งการมองนั้นอาจจะมองในจุดใดก็ได้เพิสังเกตว่าทรงสอนในรูปอนัตตสัญญาคือกำหนดหมายหเห็นความเป็นอนัตตา อย่น้อยที่สุดถ้าบุคคลจับหลักให้ได้สักชั้นหนึ่งเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวใจพอประสบกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนแปรปลุนไม่สามารถควบคุมบังคับบัญชาได้มีความเดือดร้อนเกิดขึ้นในการที่จิตไปเกี่ยวเกาะด้วยความเป็นของเราความเป็นเราความเป็นญาติสนิทมิสหายของเราเพื่อนฝูงเราตลอดถึงประเทศชาติของเราก็สามารถทําใจให้ส ง, งบลงไปได้โดยอาศัยกฎของกรรมโดยอาศัยการเข้าถึงกติแห่งธรรมดา หรือด้วยการมองเข็นตามแนวของอนัตตสัญญาว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาเมื่อใดบุคคลมาเห็นว่าธรรมทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาเมื่อนั้นก็จะหน่ายในทุกนี้ก็คือทางแห่งความหมดจดอีกประการหนึ่งต่อแต่นี้ไปก็พอให้ตั้งใจทําความสงบสืบต่อไป